แต่หลวงปู่จามร้อยหนึ่งปีเดือนพุทธภาวันที่ส9บเก้าพุทธภาร้อยหนึ่งปีเต็มเดี๋ยวนี้กำลังขยับเข้าเป็นร้อยสองปีเลยหลวงปู่จามร้อยสองปีนี่อายุยืนเพราะอะไรเพราะอดีตชาติของท่านท่านไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ยินดีในการฆ่าสัตว์ ไม่ลังไม่ยินดีในการลังแกเบียดเบียนสัตว์ถ้าใครลังแกเบียดเบียนสัตว์คผู้นั้นสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพร่างกายจะทุบพลภาพเข้าออกโรงเพยยบาันไม่รู้จักหยุดจักย่อนอันนั้นคือผู้ชอบลังแกเบียดเบียนสัตว์แต่ถ้าว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนั้นเกิดมา บางทีตายอยู่ในท้องก็มีออกมาแล้วก็ตายก็มีสรุปแล้วก็คืออายุสั้นอายุไม่ยาวเพราะบาปกรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตว่าฆ่าสัตว์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ให้สิทธิ์แก่ชีวิตของเขาไม่ให้โอกาสชีวิตของเขาเพราะชีวิตทุกชีวิตใครๆครก็รักโดยการทั้งนั้น ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าจัดตัวเล็กตัวใหญ่เหอเวลาเราจะค่ายอมันร้องสุดเสียงของมันกลัวตายมนุษย์ของเราก็เหมือนกันถ้าจะถูกประหารอหรือถูกยิงเป้าหรือโทษประหารเนี่ยตาละห้อยเลยกลัวตายที่สุดแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะ อำนาจอยู่กับเขาทั้งหมดแต่ความกลัวตายนั้นเขาอ่อนเดินไม่ไหวเล ย, ยนั้นเถพยุงปีกนี่แหละไม่ว่าชีวิตมนุษย์ไม่ว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเป็นธรรมมาทิปไตยรู้เขารู้เราพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงบัญญัติศินและวิในบ่าฆ่ากันนะนี่แหละ เป็นความถูกต้องเป็นธรรมที่สุดแต่ถ้าว่าอเนกสงทานผู้ใดยินดีนในการทําทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติหาเงินคําทรัพย์สมบัติได้ง่ายหาเงินได้ง่ายหาเรื่องเลี้ยงชีวิตได้ง่ายเพราะว่าอเนกสงแห่งการทําทานในครั้งพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสา ว, วัตถีวันหนึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมได้แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดพอตามทําบุญทําบุญแต่ไม่ชักชวนคนอื่นวีจะทําบุญตั้งอกตั้งใจทําบุญแต่เฉพาะตนเองไม่ชักชวนคนอื่นทําบุญ เมื่อเขาเกิดพบนายชาติหน้าเขาจะเป็นคนล่ํารวยแต่ไม่ไม่มีบริวารสมบัตินะพราะกระดูกว่านั้นล่ํารวยเกิดมาล่ํารวยแต่หาบริวารยากที่จะใช้ผู้ใช้คนมาช่วงรับช่วงแทนไม้แทนมือเราเนี่ยหายากมากเพราะอะไรเพราะเราไม่สร้างบริวารสมบัติ แต่ถ้าว่าผู้ใดทั้งทำบุญทำทานด้วยชักชวนคนอื่นให้ทำบุญทําทานด้วยคนนั้นเขาจะมีบริวารทั้งมีสมบัติด้วยทั้งมีบริวารดีด้วยแต่ถ้าว่าผู้ใดมีแต่ชักชวนคนอื่นทำบุญแต่ตัวเองไม่ทาก็ได้แต่บริวารสมบัติแต่ตัวเองเป็นคนทุกอย่ากลำบากแต่บริวารให้ดีพูดอะไรใครเชื่อถือ แต่ว่าตัวเองหาข้าวจะกอกหม้อก็ไม่มีอันนี้ก็คือมีแต่บริวารแต่ถ้าว่าผู้ใดทั้งชักชวนคนอื่นด้วยทั้งทำบุญด้วยคนนั้นจะมีทั้งสมบัติตนและบริวารสมบัติในในสถานที่เขาเกิดแล้วนั้ น, น, นอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ จากนั้นก็มีชายคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งที่ได้ฟังนะเออพระพุทธเจ้าพูดตรัสเป็นธรรมถูกต้องเอาเถอะข้าพรเจ้าจะเอาทั้งสมบัติของตนเองจะเอาทั้งบริวารสมบัติจากนั้นเขาก็ได้มนพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ผมจะขอถวายทหารพระสงฆ์ทั้งหมดพระเจ้าค่ะ มุทภสูงก็ปเป็นเชน้อยเนี่ยสี่สีห้าร้อยอ่ะเป็นพันอ่ะพระธองค์ก็เอือรับเขาก็คงจะมีพลัเวอร์คงจะมีความสามารถในตัวของเขานะ่ะที่จะไปชักชวนคนอื่นมาทําบุญร่วมกันแต่สมบัติของเขาเขาก็มีพอที่จะประทับประทังแต่ก็คงจะไม่มากแต่คิดว่าเป็นไปได้ลักษณะอย่างนั้นแต่นี้เขาพกทธองค์ก็รับรับนิมนต์ชายคนนั้น ชายที่เขานิ่ยมานีมนทั้นจากนั้นพอตะแก่ออกจากวัดไปตะแก่กับไปชักชวนเลยให้ใครว่ามีของเตียงไปพร้อมอุปกรณ์ไปพร้อมเลยเออพี่น้องลูกหลานใครอยากจะทำบุญผมครับผมมีมลพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ทั้งวัดเลยนะวันพวงนี้ไปทม่มลมาฉันที่ตรงนั้นเราคงจะเป็นหอประชุมใหญ่ ในมนพระพุทองค์กับพร้อมพระสงฆ์มาที่ฉันที่หอประชุมใหญ่นั้นเพราะนั้นผู้ใดอยากจะไปร่วมทําบุญก็ไปได้หรือไม่ไม่ไปทําบุญก็จะเอาข้าวน้ําโภชนาอาหารให้ผมนี่ก็ได้ผมมีบริวารมีมีหมู่พกเกินมาคอยรับใครจะบริจาคเท่าไร่ข้าวสารเท่าไร่อาหารแห้งเท่าไร่แน้ํามันเท่าไร เอาเนี่ยบริจาคเพื่อจะได้ทำอาหารรวมกันเมื่อทำอาหารรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะได้ถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ใครพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยอยากจะทำบุญร่วมในครั้งนี้ก็ขอเชิญครับมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะคนไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยนะเจตนาดีของเราดีแต่ไปพูดให้เขาฟังเขาโห้ไอ้แก่นี่นะก็พูด เอถ้าทําทําไมไปทําแต่ตัวเองทําไมจะไปหาชักชวนคนอื่นเขาทําไปหาลังแกไปหาเบียดเปลียนคนอื่นไปหาลบกวนคนอื่นเขาตัวเองทําไม่ได้แลยยังไปหาคนอื่นกับเขาอีกทําไมเขาคิดได้ยังไงเขาคิดอย่างนั้นนี่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเขาคงคิดมันก็ถูกคําเขาเหมือนกันนะเออตัวเองกําลังขนาดไหนกันใหญ่น่าจะรู้จักประมาณกําลังคนตัวเองทําไมจะไปให้คนอื่นกระท้อนกับความคิดของตนเองด้วย แต่ความคิดของคนคนนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเพื่อบริวารนะชักชวนคนอื่นทำบุญเพื่อบริวารของตนเองทั้งในสถานที่เกิ ด, ดต้องมีบริวารต้องเป็นที่รองรับในกิจการงานใหญ่ๆต้องมีบริวารดีกิจการงานจึงจะไปได้แต่ถ้าคนไม่มีบริวารแล้วมีแต่ตัวเองจะทำยังไงอันนี้เขาเขาหาบริวารถ้อบริวารก็อย่างว่า เขาประดาตัวเองอีกต่างหากแต่ตามไม่จริงบริวารนะ่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาบริวารคนเหล่านั้นนะเนีไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นจะมาเกิดกับเราทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไปเกิดในสถานที่ใดนี่บริวารแถบ น, ะนั้นเน่ยหมูหมากาไก่นกหนูปูปีกมาเกิดเป็นคนพอเห็นเราแล้วพออกพอใจเว่า น, นะานนการพูดอะไรให้ฟังพอใจไปที่พอใจไม่ถกไม่เคียงยอมรับหมด เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาคนที่เราไปทําบุญร่วมกันในชาตินี้ไปเป็นบริวารไม่ใช่ ใ, ใครเข้าว่าเป็นเครื่องดึงดุในสถานที่ตัวเองเกิดนั้นๆสมมติว่าเราทําบุญในเมืองไทยใช่ไ่มทําบุญในเมืองไทยเนี่ยชักชวนคนในเมืองไทยทําบุญแต่ตัวเองพัดไปเกิดอเมริกาหรื อ, อยุโรปแต่ไปเกิดในสถานที่นั้นก็เถอะคนในแถวนั้นเขาเห็นก็โอ้เหมือนกับ เป็นกาวใจของเขาเล ย, ยงั้นเลยพูดอะไรทําอะไรพร้อมที่จะ้อรับพร้อมที่จะ ย, ยินดียอมรับเพราะ อ, อะไรเพราะเขาสั่งสมบารมีมาทางบริวารสมบัตินี่แหละอันนี้ก็คือการสั่งสมบริวารชายคนนั้นเขาก็ชักชวนไปเรื่อยนบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ให้มากบางคนก็ให้น้อยอแต่จะเอาไปรวมเลยก็ได้นะผมจะตั้งโรงทานอยู่ที่นั่น เอาเป็นรวมกันเลยหรือไปทำร่วมกันก็ได้แต่แกก็พูด น, นแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนั้นเป็นคนรวยพอไปถึงท่านเศรษฐีครับนั่นจะทำบุญกับผมให้ผมจะชักชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำบุญใหญ่ที่ผมเป็นเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ขอชวนท่านเศรษฐีครับ เศีก็จบมุมบับมุมบับมุม บ, มมบมมับในใจเพราะคนขี้เหนียวเนี่ยไอไหนหายุ่งไม่รู้จักประมาณตนกำลังตนมีเท่าไหร่ทำไมไม่ทำเพียงเฉพาะตัวท่าเองไปให้คนอื่นยุ่งไปด้วยเออมานี่ยมานี่วะคือเขาไม่ไปได้เสียในการทำทานางนั้นมานี่ยมามาก็เลยเอาจิบยิ บ, ออยบข้าวสารหนึ่งสามเล้วมือแล้วลหน่จิบใส่ เออหยิบถั่วสามในมือใส่หยิบเกลือหยิบอะไรใส่แล้วก็น้ำมันเอาน้ำมันเอาขวดเสฟปากขวดจิ้มส่กันดีๆเลวก็เทแลวก็บงายปากขวดลงไปสองสามสีห้าหยดมั้ยไปแล้วอาไปพอไปตอนนี้ไอ้อชายหนุ่มคนนั้นทายกคนนั้นถ้าก็เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่ง พ่เก็บส่วนหนึ่งเศรษฐีก็มองเห็นคนขี้เหนียวมันฉลาดเออฉลาดเอ๊ะอันนี้มันจะต้องล้มเลิกกูได้แน่ๆว่ะมันออกไปมันคงจะว่าเศรษฐีขี้เหนียวเอทั้งที่สมบัติมีตั้งเยอะแยะเออเาทานเอาข้าวให้เพียงหยิบมือเดียวมันคงจะว่ายอย่างนั้นไปไปดูมันซิมันจะเอาไปที่ไหนส่งบริวารไปอย่างนั้นแต่ส่งคนสอดแนมไป ไอ้ น, นี่ก็ได้ไปเสร็จแล้วกบปรุงอาหารเลยไปเริ่มปรุงอาหารโรงทานใหญ่จากนั้นทายกคนนั้นที่เป็นผู้ประสานงานแต่แกก็เอาเข้าสารในที่เศรษฐีเนี่ยมากระโป่วยถังนั้นบางถังนั้นถังเ อ, อเหมือนกับแต่แกก็คงจะรู้ว่าเศรษฐีมึงคงส่งมาคนมาแหนมเราสอดแหนมเราแน่แต่แกก็ไม่ได้สนใจเสร็จแล้วก็อน้ําตาล ใส่ตามหม้อต่างๆที่เตรียมไว้จากนั้นเอาเกลือใส่เตรียมไว้แต่ก็ไมพูดอะไรใส่หมดแล้วของเศรษฐีเหมือนกันเถอะจากนั้นก็ชายหนุ่มที่สอดแหนมไปเนยเห็นออืมันคงจะมีอะไรวะทําไมจึงเอาของเศรษฐีที่เป็นภาชนะที่เศรษฐีเอาให้เนี่ยมันก็หยิบใส่วันพุธนี้แหละมันคงจะล้าเลิกแน่ๆเหมือนกนก็เลยมาบอกเศรษฐีนาย รู้สิกว่าทายกคนนั้นทําำมากับกิริยาอย่างนี้นะเนีเอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูไปเองเหมือนกันนะข่าไปเองเหมือนกัน อ, อจากนั้นก็นเด็บมีดใส่พกไปด้วยข่ามันประกาศลําเลิกข่าเมื่อไรเมื่อนั้นเห็นดีกันถึงตายแน่ข่าวนี้เหมือนก <c oughs> ันปุณนะไม่ใช่ธรรมดาได้เยกรรมการทําบุญทําทานเนี่ยมันมีอุปสรรคไม่ว่าทุกนั้นสมัยนี้เหมอนกันสรุปแล้ว จากนั้นก็เศรษฐีคนนี้กับไปพอไปเสร็จแล้วก็ชายผู้ประสานงานก็ทาบุญเรียงพระสงฆ์โอ้โหอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าเป็นประธานพระสงฆ์ทวนเป็นพระอรหันต์นั่งฉันเป็ น, เ ป, นเป็นผ่านรูปเพราะนั้นแต่ถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก, ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประิน ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอนุมโมทนาพร้อมพระสงฆ์ชายคนนั้นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าได้ไปรวบรวมอาหารจากพี่น้องพ่อแม่เนี่ยสหายทั้งหลายสหายธรรมท้งหลายผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย่ง ท, ที่ข้าพระ อ, องค์ได้ไปรวบรวมมีอาหาร ทุกอย่างบางท่านก็หาน้อย บ, าบ้างบางทีแต่บางท่านก็หายมากตามกําลังศรัทธาความเชื่อความนับถือความเลื่อมใสเพราะนั้นบุญกุศลที่พระ อ, องค์ได้ทําบุญในครั้งนี้ในคราวนี้ก็ขอให้เป็นปัจจัยเพื่อกอุนหนุนท่านเหล่านั้นให้มีบุญกุศลทั่วหน้ากัน ให้เป็นให้เป็นผู้มีบุญมีกุศลทั่วหน้ากันอให้เสมออาตามอัตภาพที่ได้ทําบุญทําทานกับผมขอน้อมจิตมอบอบุญกุศลให้แก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่ข้าพระองค์ได้ไปชักชวนมาทําบุญในคราวนี้พอเศรษฐีคนนั้นได้ยินท่า น, นละ่ะโอ้โหเราคิดว่าจะฆ่ามันวะมันยังเอาบุญกุศลให้เราอีก ตามแบ่งตามสัดส่วนที่ใครได้ทําโอ้ถ้าข้าไม่ให้ตะแก่นี่อดโทนเนี่ยเทวดาคงลงโทษเราแนๆ่ๆเพราะเราคิดจะฆ่ามันแท้ๆเลยคราวนี้จานั้นก็เลยเข้าไปจับไม้จับมือยกมือไหว้บอกโอ้ขอโทษขออภัยนะแต่ผมได้คิดอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุการณ์คล้ายๆว่าพระพุทธเจ้าหูทิพตาทิพอยู่แล้วมันเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะได้แสดงธรรม โปรดคู่คนทั้งหลายอีกพุทธองค์ก็เห็นอะไรเนีชายคนนั้นก็เลยเข้ามาพาเศรษฐีเข้ามามากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาได้ทําบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนีมีเรื่องราวอย่างนี้อย่างนี้กระผมได้ประกาศอย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นที่พอใจเพราะพุทธองค์บอกนี่แหละผู้ที่พูดให้เป็นศิริให้เป็นมงคลก็เป็นสนาราศรีกับคนพูด ถ้าพูดไม่ดีก่อนเป็นอันตรายกับคนพูดแต่ถึงยังไงก็ตามการทำบุญทำทานอย่าไปถือว่าของเล็กน้อยถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็จริงแต่นี้เราพระพุทธเจ้าพร้อมพระรหัรสาวกล้วนแต่เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสถึงจะทำนิดหน่อยก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเหมือนกับน้ำหยดลงมาจากท้องฟ้ามันหยดลงมาทีละหยดเทละยาด มันก็ให้เต็มตุ่มเต็มโอคงได้เพราะเหตุไรเพราะบุญกุศลที่ทำเนี่ยโดยสม่าเสมอทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละเพราะนั้นไม่ควรประมาทว่าบุญกุศลที่ทำว่าเป็นของเล็กน้อยควรสั่งสมควรสะสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานี่แหละอันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ัตเฉลิมฉลองศรัทธาจากนั้นเศรษฐีคนนั้นก็เลยเกิดศรัทธาเลื่อมใส ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สาเร็จพระโสดาบัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือพระญาติโยมในครั้งพุทธกาลถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่แพ้ในยุคนี้สมัยนี้เหมือนกันความคิดความเห็นของผู้ของคนมันแปลกแตกต่างกันคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งบางทีตัวเองว่าคิดถูกนะแต่ตามไม่จริงเมันไม่ได้มองดูเจตนาของเขา ผู้ที่เขามาชักชวนเน่ยเขามีจุดประสองค์อะไรเขามีความมุ่งมั่นอะไรเขาได้ยินได้ฟังมาอย่างไรนย่าคือเจตนาดีเจตนาของเขานนั้นเป็นอย่างไรเจตนาของเขาคืออยากจะชักชวนเพราะได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าผู้ใดทําบุญด้วยตนเองไม่ชักชวนคนอื่นเมื่อเขาเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาจะเป็นคนร่ํารวยแต่หาบริวารไม่ได้แต่คนที่ไม่มีบริวาร ถ้าเราทํากิจการร้านค้าทั้งเป็นเศรษฐีบริษัทห้างร้านต่างๆถ้ามีบทไม่มีบริวารบริวารไม่ดีบริวารใช้ไปเนื้อเชื่อใจไม่ได้กิจการของเราคิดดูก็แล้วกันเจ้าของทรัพย์ให้ปวดหัวก็แล้วกันเจ้าของบริษัทให้ปวดหัวก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะบริวารไม่ดีแต่ถ้าว่ามีทรัพย์สมบัติด้วยมีบริวารสมบัติด้วย ดีไหมบริวัติบริวารดีดีดีแนนะ่แต่ถ้าหากว่าตัวเองมีแต่บริวารตัวเองไม่ได้ทํามีแต่ชักชวนคนอื่นให้ทําบุญตัวเองไม่ทําถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่บริวารในเมื่อมีบริวารตัวเองหาเงินเลี้ยงบริวารไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนอีกตเนี่เฒ่าแก่เนี่เจ้าของบริษัทเนีเศรษฐีจะทุกข์ขนาดไหนเพื่ออะไรเพราะว่าบริวารมาก หาเงินจะเลี้ยงเขาไม่ได้ตัวเองจนไงทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดนงไม่ทำให้เงินเนี่ยแต่บริวารเนี่ยโอ้ทุกอย่างไงเจ้านายทุกอย่างไงก็หยุดทั้นติดเนีเพราะว่ารักเจ้านายรักเจ้าของรักเท่าแก่รักเศรษฐีแต่เศรษฐีผู้เป็นเจ้าของสมบัติไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะกู้นี่ยืมสินเงินมาจ่ายเงินค่าลูกน้องแต่เขาก็ไม่ว่าลูกน้องเพราะเขารักเขาจึงอยู่ด้วย แต่ถึงยังไงก็เถอะในใจของเศรษฐีเนจะมีความทุกข์ขนาดไหนเในเมื่อตัวเองไม่มีสมบัตินี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทั้งทําบุญด้วยทั้งชักชวนบริวารด้วยแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามทั้งไม่ชักชวนคนอื่นทั้งไม่ทําบุญเอด้วยถ้าเกิดพกหน้าชาติน่าอันนั้นยากจนแน่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ยากจนตั้งแต่เกิดเกิดเป็นตระกูลยากจนบริวารก็ไม่มี อยู่กินเป็นวันๆไปแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ตายไปถ้าเขาไม่ทำต่อถ้าเขาเกิดจนอย่างนั้นแล้วเขาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเขาไปสั่งสมบุญกุญศลเขาไปอีกอการงานนสงสงในการทำบุญทำทานของเขาคงาจะเกื่อกูลหนุนเหมือนกันเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้มีหลายอย่างพวกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา มันก็เป็นจริงเราพิจารณาตามเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นจริงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวเอาไว้การจิตจะรักษาศีลก็เหมือนกันศีลมัเป็นเครื่องคุ้มครองทานเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยของมนุษย์ชาติเพราะนั้นสมาธิปัญญาอันนั้นถึงเข้ามาทางด้านจิตใจทีนี้ คนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดสมาธิคนที่ลวนเลคนที่โลเลโลกเลคนที่ขาดสติแล้วจะมีสมบัติพัฒฐานหรือจะมีบริวารได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องหลักใจในสัมพันธ์เยมาถึงจุดหลักใจหลักใจเนี่ยก็คือต้องฝึกเรื่องสมาธิฝึกสมาธิทำยังไงนี่แหละที่ได้พูด กหดลมหายใจเข้าออกอย่างที่ว่าแล้วเดินปัญญาเดินอย่างไรปัญญาอริยมรรคปัญญาโลกีปัญญาโลกีคือคือปัญญาที่เราโสแสวงหาทรัพย์ในปัญญาต่างๆในโลกวัฏสงสารทั้งหลายทั้งปวงวิชาในแต่วิชาไหนพวกเราเข้าไปเรียนในในมหาวิทยาลายัยแต่ละแห่งแต่ละหนเราจึงจะรู้ได้ว่ามีวิชามากขนาดไหนนี่แหละวิชาทั้งโลกล้วนแล้วล้วนแล้วเต็มเป็น เป็นวิชาโลกียะโลกียะใครท้าวหามาได้แล้วก็หมดไปแต่วิชาในพระพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยเป็นวิชาโลกุตละโลกุตละนเนีเ่ยแปลว่าเป็นวิชาที่จะออกจากโลกจะ ม, มาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวันะสงสาร อ, อีกอนี้เป็นว่าปัญญาโลกุตละจะทํำยังไงจะเดินยังไงในวิชาโลกุตละนั้นส่วนวิชาโลกียะนั้นมีมากมาย ทำขนงขนมทำไร่ทำนาทำรัวทำสวนทำบัญชงทำบัญชีกฎหมายบ้านเมืองการแพทย์การหมออันนั้นเป็นวิชาโลกีะทั้งหมดเนี่ยแต่วิชาโลกุตละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนจะปล่อยวางอย่างยังไงเอจะยึดอะไรเป็นหลักจะปล่อยที่ไหนจะวางที่ไหนไม่ยึดมั่นที่บั่นที่ไหนเบื่อไหนที่ไหนคลายที่ไหนจิตใจของเราจรึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส กิเลราคะโทสะโมหะจะไม่มาอยู่ที่จิตใจของเราเราชำระอย่างไรตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ชำระที่ท่านบอกกล่าวนี่แหละอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาเลยน ศ, ศึกษาวิชาโล ก, กุตละธรรมวิชาที่จะออกจากโลกไงจะไม่จะไมะะ่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกวัฏสงสารอีกก็ น, นี่แหละวะวิชาโล ก, กุตลธรรมอ่ะ เพราะด้นวิชาในโลกมีมากมายแลักการเป็นอยู่ในโลกเราจะทํำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีทานอย่างที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าววาไว้เป็นจริงคนที่มีอายุยืนยาวเป็นยังไงคนที่มีอายุสั้นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เพราชอบฆ่าสัตว์ชอบรังแกสัตว์อันนี้สงฆ์ทางทานเป็นยังไง บริวารสมบัติคืออะไรทําไมจึงมีบริวารคนทําไมเกิดมาแล้วบางคนมีตะลยุยหาบริวารดีไม่ได้แต่บางคนมีแต่บริวารดีเนี่ยแต่ตัวเองก็ยากจนก็มีมีหมู่เพื่อนมากสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราได้ศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็พอจะมองออก ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะแตอนนี้ไปรับพรอนะโมธนาให้พร